เรื่องหญิงบันดอหนึ่งเรื่องสมัยนั้นชายคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามพวกชาวบ้านว่าหญิงคนชื่อนี้อยู่ไหนพวกเขาตอบว่าเป็นหญิงบันดะเจ้าข้าท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาธิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร่งตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาธิเศต แต่ต้องอบัตรทุกกฎวงเล็บเรื่องที่ห้า